ก็ความเจริญในธรรมซึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยาณได้นำเสนอลัชทีทั้งหกมาสามสี่ท่านแล้วนะสีท่านปุณณกัสปะมัคคิิโค ส, สารสัญชัยเวรัตบุตรประกุทธัทกอจายณนะต่อไปก็ยังเหลืออีกสองท่านคือท่านอาชิตเกสกัมพลเกสกัมพลแปลว่าผ้ากํมพลที่ทําดยผมคน เพราะว่าท่านนิยมประดับประดาตกแต่งร่างกายโดยผ้ากำพรุนที่ทำโดยปมคนลักษณะความเชื่อของท่านเป็นเป็นนติกวาทะเ อ, อนติกวาดเดนนติกวาทะในกระบวนการของกรรมคือมันมันสมัยนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะมองโลกกับสังสรไม่ใช่คือโลกกับชีวิตเนี่ยชีวิตจะมองอยู่สองแนวก็เรียกว่าสัสตตตถิทิทกะอุเฉต ท, ทิฐิ สัจติติสิก็คือจิตนิยมที่มันสุดขั้วชีวิตก็มาจากที่ไหนก็กลับคืนไปสู่ที่นั่นอย่างที่พูดไว้แล้วหนึ่งก็อุเฉทติฐิเป็นแนววัตถุนิยมที่สุดขั้วไม่ศึกษาในกระบวนการของเหตุปัจจัยก็ถือว่าชีวิตก็จบลงที่ความตายและความคิดกระแสตัวเนี้ยกระแสกระแสอุเฉตทิฐิเนี้ย มันก็ออกมาเป็นรูปของมิจฉาทิฐิอีกที่เกี่ยวกับกรรมเนี่ยสามเรื่องจริงจริงมันเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องที่มีมอันตรายเนี่ยก็มีอยู่สามเรื่องก็คือถือว่าอกิริยทิจิถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทํานะแนวของท่านพระกุฏทธากจายณะที่ว่าเนี่ยการกระทําไม่เป็นการกระทํา โลกเนี่ยประกอบด้วยกองเจ็ดกองดินน้ำลมไฟสุขทุกข์แล้วก็ชีวะชีวะอาชีวะอาชีวะไม่มีการค่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีรูปผู้ตกาความสุขความทุกข์นั้นก็ไม่ได้มาจากเขียนคือเราไม่ได้ทํามันมันมาของมันโดยบังเอิญบ้างโดยอะไรตัวอะไรก็อ่านกันไปก็แล้วแต่ แล้วก็ไอตุกาทิธฐิคือผลทั้งหลายนั่นไม่ได้มาจากเขตมันก็เกิดขึ้นมนเองความสุขความทุ ก, ก, กข์มันเกิดขึ้นมนเองอาจจะบางทีก็อาจจะถึงมีการบันดาลบางทีก็เรื่องบังเอิญบางครั้งก็เลื่อนไหลไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่แรงเนี่ยอย่างของท่านอาชีตเกศกัมพลเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงเต็งแรงมากเพราะว่าอันตรายนะคือถ้าเชื่อความความเห็นกคนตันแล้วทําตามกว า, าเห็นคนตันแล้วมันเละหมดเลยโลกมันอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรพ่อแม่ก็ไม่มีคุณนะเราเอาเฉพาะครอบครัวอย่างเดียวสถาบันครอบครัวก็ถูกทําลายแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีนะพ่อไม่มีแม่ไม่มีคือไม่มีคุณนะและแก บ, บุญบาปก็ไม่มีด้วยไปเสร็จหมดเลย ปฏะเสธใหญ่เนี่ยปฏิเสธสิบอย่างนะคความเพียนพยามอะไรๆทั้งหมดร้ายผลหมดที่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าส่งแสดงแสดงหลายครั้งนะฮะแสดงใหญ่เนี่ยแสดงในเขาเรียกอปนณกสุเรือเสด็จไปสู่ชุมชนชาวแควนชาวแควนโกศล ก็ชาวบ้านมาเฝ้ารับเสด็จเยอะก็รับสั่งถามว่านับถือใครเป็นศาสดาแล้วยังชอบใจธรรมะของใครหรือเปล่าแต่ามางคนบอกโค่นนั้นบอกว่ายังยังไม่นับถือใครพระเจ้ารับสั่งผมไม่เป็นไรหรอกคือนับถือใครไม่นับถือใครไม่สําคัญแต่สําคัญว่าอย่าทําให้ผิดก็แล้วกันแล้วก็เน้นถึงการปฏิบัติผิดซึ่งก็ไปเสก ค, คําสอนของท่า น, นท่านอาชิตเกษกมพลเนี่ย ทรงแสดงว่าคําสอนองอาชิตเกศกรรมพลเนี่ยมันเหมือนกับผ้ากรรมผลของท่านจริงๆเลยกับปกจจุทากัจจยนะด้วยนะทีจริงคือผ้ากรรมลเนี่ยี่ทำด้วยผมคนเนี่ยมันมีสถานะสี่ประการคือฤดูร้อนยิ่งร้อนนะฤดูหนาวยิ่งหนาวฤดูฝนมันอุ้มน้ำแล้วก็กลิ่นเนี่ยเหม็นสาบ ผมคนนี่เหม็นสาบนะคนสัตว์ไม่เหม็นสาบแต่ว่าผมคนเอาไปทําอย่างนั้นก็เหม็นสาบเพรโดยสถานะแท้จริงเนี่ยคือเหม็นสาบเอใช้ในรูร้อนยิ่งร้อนใช้ในรูหนาวยิ่งหนาวใช้ในรูฝนอุ้มน้ําเอาไว้ถูกฝนแล้วก็อุ้มน้ำํำทีนี้เหม็นสาบใหญ่เลยวันในคําสอนในแนวเนี่ยมันจะปฏิเสธหมดที่นํามาทรงแสดงไว้ใน อปนากะสุดคือไปมีความเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพ่อแม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีการกระทําดีทําชั่วดั้นไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มี ไปถึงหายไปปฏิเสธท่านที่รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบอคนุคคลหรืออื่นรู้ตามไม่มีคือปฏิเสธการมีของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าชายทิฏฐะนะแต่หมายความว่าใครก็ตามที่บำเพ็ญเพียรอยู่ถึงจุดหนึ่งสามารถจัดสรู้ได้เนะี่ยเขาไปเสดว่าคนเหล่านั้นไม่มีในโลกมันก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว เพรานั้นรับที่ความเชื่อในแนวนี้นจึงถือว่าเป็นอันตรายแล้วก็ในการต่อมาเราจะเจอว่าพระพุทธศาสนาได้ปฏิเสธคำสอนในลนักษณะที่บางทีก็แรงนะฮะบางทีก็ไม่ค่อยพูดถึงคือไม่ยอมพูดถึงเพราะว่ามันรุงรังเหลือเกินทีนี้คนต่อไปเนี่ยท่านต่อไปเนี่ย คือท่ น, นี่โครนน่าจะบุตรเรียกชื่อหลายชื่อเรียกชื่อวัตมานชื่อเดิมจริงๆนะท่านชื่อวัตมานและแต่ต่อมาท่านประกอบวีรกรรมก็คล้ายๆกับพ่อคุณดามกับแผงตอนสรงพยเยานะทีชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองเฉาะก็ได้รับการยกย่องประวัติชีวิตค่อนข้างแปลกก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันเรียนแบบเราหรือเปล่า เพราะว่าแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเจนว่าพวกคล้ายๆพระพุทธรูปอะถ้าเราดูไม่สังเกตได้ดีเนี่ยเหมือนพระพุทธรูปผมจีวรแนบเนื้อแล้วก็นั่งแบบพระพุทธจเจ้าเลยฮะอย่อินเดียนี่เยอะเลยแต่ต้องดูว่าดีนะฮะบางทีไม่นุง่งผ้า้าไม่นุ่งผ้าแล้วเขาแหละ น, น, หนี่โรนานพูด คือเขาพยายามที่จะเรียนเราชื่อเสียงเลี้ยงนามประวัะติอะไรต่างๆมันก็คล้ายๆกับเราอยู่เยอะเลยกเกิดก่อนพระพุทธเจ้านี้6ปีแล้วก็ก็เรียกว่าร่วมสมัยนะฮะคือตอนตอนท่านเผยแผ่ลัทธิของท่านเขาเรียกว่าติระถังกรนหรือพวกเดรธีพวกนี้เรียกว่าเดรธีหรือเรียกเต็มๆว่าอัญญาเดรธีแต่ว่าตัวท่านเองเรียกว่านิครดนานถบุตร แล้วก็ตั้งป้อมยุ่งกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดตรงนี้แต่เป็นเรื่องแปลกนะว่าคือถ้าเรานับดูแล้วเนี่ยเจอกับพระพุทธเจ้าประมาณสัก 40-42 ปีนะเพราะว่าตอนท่านสิ้นชีวิตที่เขาเรียกว่านิราวานเนะี่ยไปนิราวานที่เวสาลีที่ไปสาลีแต่มันมันเชื่ออะไรอะปาวาปุรีนะเรียกปาวาปุรีแต่ไม่ใช่เมืองปาวานนะ มันใกลๆจะเป็นนิคมอะไรก็หลังจากตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนทันษาเจ็ดสิบสามไม่ใช่คือเจ็ดสบเจ็นะฮะพระพุทธเจ้าเจ็ดสิบเจ็ดก็แสดงว่าก็อยู่ร่วมสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งสี่สิบสองปีแล้วก็อาจจะไม่ใช่สี่สิบสองปีนะฮะคือแม้แต่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกพนวดอยู่ห้าปีเนี่ย ก็แสดงว่าท่านท่านเป็นขณาจารย์เนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จออกประนบหนึ่งปีเพราะว่าท่านสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าในหกปีก็หมายความมาก็ร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งตั้งเท่าไหร่ละสี่สิบสอสี่สิบเจ็ดนะฮะสี่สิบเจ็ดปีได้กันแต่แปลกไม่เคยพบกันแล้วก็ดูจากที่ศึกษาเท่าที่พบเนะย มันมีครั้งเดียวที่พักกันคนละด้านของป่ามาเป็นกระบวนด้วยกันที่เมืองนารันทานะฮะพวนี้คนหนาตบุตรก็พักอยู่ด้านหนึ่งของป่าพระเจ้าก็พักอยู่ด้านหนึ่งของป่าก็บริวารแต่ไม่เจอกันแต่ตอนนี้จะนําไปสู่เหตุการณ์เรื่องมันยาวนะคือเราดูอรู้จักท่านว่า ท่านก็บอกรายละเอียดว่าประสูตรก่อนพระพุทธเจ้าราวสามสิบปีนะครับประสูตรนะฮะอายุนะแล้วก็ที่เมืองไผ่สลีพวกฤทธิชวีก็บอกละเอียดนะฮะขึ้นสิบสามข้าเดือนห้าพระบิดาเป็นราชาในคณะของนครไผ่สลีคือแคว้นวัดชีแล้วก็ในสกุลนาตะคือสกุลต้นรำมีนามวาสิทธัตถะเหมือนกันนะมีนามนามเดิมนี่วสิทธาาัตถะ อันนี้ก็แสดงก็ลอกเรียนเราก็าพยายามที่จะเหมือนเรามีพระมันดาชื่อว่าศิลาวิเศษมัสาลาเป็นภรกินีของพระเจ้าวิเทหะสันทรงมีความประหารมากสามารถทําความเจริญมาสู่สกุลได้จึงได้ชื่ออีกนามหนึ่งว่ามาวีระหรือวัฒมา น, พ, นพระปัชนในยี่ห้รภาษาก็พิสิกสมรสกับเจ้าหญิงยะโสธราชื่อเรียนพระพุทธเจ้าเรียนเอามากๆนะฮะเรียนเอามากเลย ก็เป็นที่ดาราชาาณะในที่นั้นด้วยกันก็มีพระธิดาโรงหนึ่งชื่ออนุชาแล้วก็พอมีพระชนได้ 35, สามสิบห้าพันสาก็เสด็จวันพระจาในสำนักของออท่านปรัชวนาถนาถานะนาฏคือเป็นติระถังกรคนที่ยี่สิบสามนะเป็นติระถังกรคนที่ยี่บสามก็คล้ายๆกับศาสดาเดี๋มันสืบสืบต่อนะแนวที่ต่อศาสนาเนี่ยแนวศาสนาซิกนะ ศา ส, สนาครที่จริงมันมันจะหมดศาสาดามาตั้งแต่ท่านครุบินทสิงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เข า, เ า, า, าก็มีศาสดาก็แสดงก็ต่อมาอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปต่อแต่เราเทียบก็คล้ายๆกับตำแหน่งสันนบาป า, ปานะคล้ายๆตำแหน่งสันาปาหรือตำแหน่งสังกราชในบ้านเราแต่ตำแหน่งสังกราชในบ้านเรามันไม่ได้มองในแนวนั้นมันไป ม, มองในตำแหน่งการบริหารคณะเท่า น, นั้นเองคือไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะติดต่อกับ พระเจ้าบนสูงสวรรค์ไม่ใช่เป็นเป็นผูดหรือว่าเป็นบุตรหรือเป็นไปปลุกพันก์กบสิ่งสูงสุดแล้วก็ท่านดูอาจารย์ปีเดียวในสุดก็แยกเข้าไปเป็นอิสระแล้วก็เคร่งครัดนะฮะถือลัชิเปลอยก็เรียกว่านิคร น, นิครนก็ไปประบาสจากเครื่องร้อยนัดแล้วก็เที่ยวจาริกเป็นเวลาถึงสิบสองปี ว่างนั้นก็ไม่เคยพักในบ้านเกินกว่าหนึ่งคืนถือวัดปฏิบัติสึงวัดปฏิบัติเนี่ยนี้พระเจ้าเองก็เคยปฏิบัติมาคราวหนึ่งสั้นๆและที่เหล่านี้เรียกว่าเชนหรือชัยนะในปัจจุบันถ้าเราไปประเทศอินเดียนะฮะเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่มีชื่อลงท้ายคาว่าเชนก็หมายถึงนับถือนิกายนี้ถ้าลงท้ายคาว่าซิงก็หมายถึงว่านับถือนิกายศา ส, สนาซิก พวนี้ก็กากระหา h นะะคนก็ไม่มาฮแต่ก็แข็งพวกเชนเนี่ยมันจะคุมปัจจุบันเนี่ยมันจะคุมทางวิชาการหนักปราดเดยอะแล้วิชาการเยอะแล้วก็พวกซิกเนี่ยจะคุมเศรษฐกิจกับคุมทหารไว้ผักาการธนาคารที่รวยๆมักจะเป็นออกซิงซิงอยู่เรื่อยนะฮะคือซิงเนี่ยมันเป็นจึงชื่อเขายาวแล้วเสร็จแล้วก็จะเรียกซิง สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่ากันไปเอาชื่อศาสนามาเรียกก็ถือว่ากระหานะก็ออยังนึกถึงพวกนี้เขาประกาศตัวเองก็เปิดเผยอย่างอิสลามอย่างซิกอย่างเช น, นเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาประกาศตัวเองเปิดเผยไปที่ไหนเรารู้ก็ทันทีได้นะว่าเขาถือศาสนาอิสลามนะนี่นี่กายซุนนีนะนี่นีกายชีอะนะคือเห็นปั๊บรู้ปุ๊บทันทีได้นี่ศาสนาซิกนะแล้วก็ว่าในรายละเอียด พวกฮินดูก็ที่จริงก็พอรู้นะอินโดเนสเยสังเกตุศา ส, สนาคริสต์ถ้าหากว่าเป็นนักบวชก็รู้แต่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ศาสนาพุทธเป็นนักบวดรู้นะเป็นชาวบ้านไม่รู้คือก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของแสดงความเชื่อมั่นและความผากภูมิในสถานภาพของตัวเอง คนนี้จะถือเคร่งในเรื่องการเปลือยกายไม่รู้สึกหนาวร้อนอะไรเลยแล้วก็ถือว่าถ้ามันหนาวเราก็ไปอยู่ในที่หนาวถ้ามันร้อนเราไปอยู่ในที่ร้อนอดอาหารการกั้นลมหายใจก็เป็นวิธีการที่จะให้เกิดความหลุดพ้นนะแม้แต่เขาประกาศจะนิวานเนี่ยนิวานก็คือแปลวันนิพพานนะจริงๆประจงกันนิพพานเป็นภาษาสันสกฤต เขาก็มีอะไรฮะก็ประกาศวันตายแล้วก็ก็อยู่เฉยๆคือไม่ยอมกินไม่ยอมทำอะไรเสร็จแล้วก็เฉาตายไปเรื่อยๆจนถึงกับถือว่าสปปรรพสิ่งนี่มีชีวิตบอลลัที่ที่ค่อนข้างบางเรื่องเนี่ยค่อนข้างตลกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือห้ามน้ำเย็นเหมือนกันแบบท่านประกุศลกาจ่นนะแล้วก็ใช้น้ำร้อน เวลาเดินไปไหนเนี่ยผับผอไม่นุ่งนะฮะแต่ว่าปิดจมูกก็ปิดปากแล้วก็ถือไม้กวาดเดินกวาดไปข้างหน้าเวลาท่านอธิบายแล้วก็ในดูนะคือตลกกาที่ต้องปิดปากปิดจมูกเนี่ท่านบอกว่ามันพวกอนูพวกปราณทั้งหลายเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันกลัวจะเข้าไปทางปากทางจมูกเลยจะตายทำไมจึงดื่มน้ําร้อนก็บอกว่าในน้ําเนี่ยมันมีปราณก็มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ เันถ้าไปดื่มน้ําเย็นแล้วเนี่ยสัตว์มันจะตายแต่ท่านลืมไปนะฮะว่า น, น้ําเนี่ท่านต้มเองเก้ามีปลามันตายหมดแล้วก่อนจะดื่มเนี่ยแล้วการกวาดไปข้างหน้าเนี่ยมันกินพื้นที่กว่าที่ท่านเหยียบเห็นนี้เราก็ไม่ถือเราถือว่าเราไม่ได้ปฏิเสธนะแต่เราถือว่าเจตนาเป็นกรรมเราเดินเรานั่งเรา นอนโรอะไรก็อาจจะทับศาสตร์เราจะรู้ได้ไงแต่เราไม่เจตนาแล้วกันศาสนาพุทธจะเป็นเน้นที่เจตนาแล้วก็พวกนี้จะเข้มงวดในเรื่องการอยู่กันกินมากนะฮะการบิบัดค่อนข้า ง, งทรมานร่างกายฤดูหนาวนีทน่ท่านไม่นุ่งผ้าเลยนะฮะไปนั่งอยู่บักคอ น, นี้มากร้อนเนี่ยร้อนขนาดหนักเลยนะท่านอยู่กลางแดด ก็ถ้านแนวตรงนี้แล้วก็ถือว่าเก่งอ่นะแต่ว่าไม่รู้ทําไปทําอะไรก็นึกไม่ออกว่าทําไปทําอะไรเพราะว่ามันเป็นการเบียดเบียนตัวเองให้เบียดร้อนแต่นี้พอกายกัะสับกระสายในี่ใจสงบไม่ได้แล้วมันเกิดสงบมันเกิดมานะมันเกิดแข็งดีมันเกิดการโอ้อวดเพราะเราจึงพบว่าบางทีเวลาเนี้ยเราไปเจอท่านเหล่านี้บางทีก็ต้องก็เล่นไี่ท่านก็ขายไอ หลอกชาวบ้านโดยที่ขวังกลบตัวเองในดินบ้างหรือจะได้บ้างให้ชาวบ้านรู้เสร็จแล้วก็เก็บตะตังเป็นวิธีการหนึ่ ง, งแต่ก็แปลกนะฮะพอมาถึงจุดหนึ่งท่านบอกว่ากัานมหาวิระเนี่ยก็ได้บรรลุบรรลุเขาเรียกว่าเกวลริชยานหรือว่าไกวันภายใตย้ต้นสาระนะเรียนๆพ ร, ระวุติเจ้าเหมือนกันบริบแม่นม้ำหรือชุปปาลิกา ก็ได้นำมาชินะแปลว่าพูดชนะนะฮะก็ท่านก็ตายเมื่ออายุเจ็ดสิบสองทีนี้ในในในรัตธิของท่านเนี่ยในการต่อมามันก็แตกเป็นสองสายสายหนึ่งก็เห็นว่ามันไปเจิดไปเจ้อไม่นุ่งุมผ้าก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าสเสวยตามผ่อนคือ น, นุ่งขาวแบบปริภาชค แล้วพวกหนึ่งก็คือที่คำพอคือนุ่งชิดคือไม่นุ่งอะไรก็หลักคำสอนเนี่ยมันในเรื่องกรรมสังสารวัตรเหมือนกันพูดเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรเป็นอเทวนิยมแบบเดียวกับพุทธนะฮะเป็นอธิวาณิยมแบบเดียวกับพุทธแต่ก็มุ่งโมกษะหรือไกวันความหลุดพ้นแบบเดียวกับพุทธเหมือนกันแต่วิธีการเนี่ยมันไม่ตรงกันอานิพานของท่านก็ไปอยู่คล้ายๆกันที่ เขาเรียกธรรมกายเรียกอญญาจตนาลิพานนะ่ยเขาเรียกว่าสิทธาไหลหรือว่าถ้าเทียบหมายานก็คือสุขาวดีพุทธเกษตรสุขาวดีพุทธเกษตร อ, อสดงวา น, นิพานของท่านเที่ยงคือเป็นชีวิตนิรันดอนคล้ายๆกันแนวสัตตะ ท, ทิิในขณะเดียวกันก็ไปไปเสด็จการพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็ มีการอธิบายค่อนข้างจะโจมตีโจมตีพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ถือว่าถ้าพระเจ้าสร้างทำไมไม่สร้างสิ่งดีงามทั้งหมดนะพูดง่ายว่าพระเจ้าจะต้องมีความรับผิดชอบในผิดผลซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างของพระเจ้าคือต้องสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาแต่ทำไมพระเจ้าสร้างอะไรขึ้นมายอะแยะไปหมดเลยแต่นี่ก็เป็น เป็นศาสนาที่ต้องถือว่าเป็นลัทธิเมื่อก่อนที่จริงมันก็เป็นลัทธินะเป็นลัทธิก็ต่อมาก็ถือว่าเป็นทัศนะเพราะว่าในองค์ประกอบของความเป็นศาสนาบางลัทธินี่ครบนะฮะอย่างศาสนาเชนนี่ก็ครบเลยมีศาสดามีศาสนิกมีศาสนสถานมีศาสนธรรมมีศาสนพิธีก็แสดงว่าเขาก็มาเป็นศาสนาเชนในตอนหลังอย่างปัจจุบันเนี่ย ประชกรอาจจะนับถือที่ตอนนั้นก็รู้ข่าวว่ามีประมาณสักสิบล้านตอนนี้อาจจะขึ้นไปยี่สิบล้านแล้วก็ได้นะแต่ว่ายังเข้มแข็งอยู่ในอินเดียแล้วไม่เคยหายไปจากอินเดียแต่ก็ไม่มีข่าวออกไปจากอินเดียเหมือนกันนอกจากว่าคัมภีร์รุ่นหลังของเราที่พูดถึงพวกนี้พวกนักบวชทั้งหกประเภทเนี่ย ไปอารวาดอยู่ที่ลังกาไปหัวเราะเยอะเยอยไปจาวัตกากมินีอภัยตอนที่รบแพ้ามินเนี่ยก็วังดูบางทีมันอาจจะเป็นนิทานหายไปเลยเพราะว่ามันมาโปรแัสเดียวมันหายไปไหนมันมาจากไหนมันมาเมื่อไรคือมันเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้ที่ลังกาเนี่ยบางทีก็พูดอะไรให้เหมือนกับที่อินเดียจะทำไปทำ่มเอ๊ะมันมาจากไหนล่ะแล้วทาไมมาชื่อเหมือนกันเลย เวลามัญหารกระตั้งสี่ห้ารอยปีเนี่ยทำไมยังอยู่่ะแล้วก็มีปัญหาตามมาอีกเยอะแต่ก็ลัที่นี้เป็นรัฐที่ถือว่ามุ่งจองล่างจองผานพระพุทธศาสนาในมากที่สุดเพราะไรเพราะว่าตัวของท่านเองเนี่เป็นกษัตริย์ด้วยกันแล้วก็อยู่ในวรรณะกษัตริย์และลองสังเกตอ่ะเป็นวรรณะกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบสามคิจธรรมด้วยกัน ก็คือพวกวัชีนะพวกเอริชวีแค้นวัชีองไพราลีหรือเวสาลีก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็ท่านก็ถือว่าท่านท่านท่านเป็นมาก่อนโนตเจาในขณะเดียวกันเนี่ยตอนท่านประดิษฐานาศาสนาของท่านมั่นคงอยู่ที่เมืองพารณาณสีเนี่ยพระเวิเจ้าเทศครั้งแรกก็ไม่ไปที่ไหนเลยมาตรงนั้นเลยเพราะมาตามตัวปัญญวัคี แล้วก็เกิดผลพลอยได้ขึ้นมาในที่นั้นเราลองนึกดูนะว่ามีพวกปรุ่มระยะสั้นี่เรุนทุกเศรษฐีรุ่นล้วนเนี่ยห้าสิบห้าครอบครัวแล้วก็เป็นพวกพัรวาคีคือพวกที่มีฐานะดีเขาได้อิสรชนก็อีกสามสิบครอบครัว คนขนาดนี้มันดึงคนอีกจำนวนมากแล้วก็ในที่บางแห่งเนี่ยบอกว่ายศาสศนี้ไม่ใช่นั่นหรอกไม่ใช่เศรษฐีหรอกแต่เป็นพระโอรสของพระเจ้าพาลณนศีเลยเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเข้าไปพระองค์เดียวนะฮะเข้าไปพระองค์เดียวแล้วก็เป็นาศาสดาหนุ่มฟอเลยเข้าไปเทศระยะสั้นๆนั่นเองเอาเศรษฐีมาได้ห้าสิบห้าสกุล 5้สบ้าครอบครบัวกันอะไกันห้สิบ้าครอบครัวเตียลือมคนที่ตามมาอีกเยอะไรแล้วพวกตโปพัตตะวคีก็คือพวกครือบดีพวกอิเซช น, นี่อีกสามสิบก็คือเท่าไหร่ล่ะเราเห็นว่าทั้งหมดในตอนนั้นแหะมันก็ได้เป็นนักบวชได้ทั้งเก้าสิบแล้วเป็นอุบาสกบาสิกาอีกระยะเวลาสั้นๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็พอเกิดภัยอันตรายขึ้นในภัยาลีเนี่ยพระวงศ์ ฤชวีไม่ได้สนพระไทยมาวิราเลยมากราธุนรัตนนาโรภูติเจ้าไปช่วยขจัดทุพิกภไฟในเมืองไผ่าลีที่เป็นเหตุเกิดรัตนสูตรที่พระนํามาสวดบนกันในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเจ็บช้ำให้ท่านมาวิราหรืท่านวัฒมานี่มากนะเพราะต้นตอนถุดท้ายเนี่ยท่านตายด้วยกระอักเลือดนะกระอักเลือดสดๆออกมาเลยแคลนใจมากเบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาสี่สิบกว่าปีทําไม่สําเร็จเลย แล้วก็มีแต่คนตัวเองที่กลับใจไปนับถือพระพุทธเจ้านอกจากนางยินจับมณุกิการ์นะฮะที่ถูกทอนิสุไปคนเดียวแต่สจัจนะนิครนก็มาคารพนับถือพระพุทธเจ้าในตอนหลังอภัยราชกุมารได้ยเยอะนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องเยอะ อ, อ, อันนี้ก็คือเรามาศึกษาเรื่องหลักที่ศาสนาที่มีอยู่ในสมัยนั้นโดยเฉพาะยิง่งยิ่งคือพวกจัทัศสนะพวกครูทั้งหกสมัยปัจจนี้ก็ ยุติไว้ได้วเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญว่างามเพื่อบุญในธรรมจึงมีและท่านผู้ฟังน่าราักด้วยท่วกันสวัสดี